ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแต่องค์สมเด็จพระจอมมุนีบรมศาสดาพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐกอบด้วยพระมหากรุณาใหญ่แผ่ไปในสรรพสัตว์กับทั้งขอกราบนมัสการพระนพพระโลกุตราธรมอันล้ำเลิศและพระอริยสงฆ์สาวกผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ด้วยเสียงเกล้าข้าพเจ้าได้มีอุตสาหะวิริยภาพจัดทําธรรมบรรยายชุดนี้ โดยคัดเลือกคาถาธรรมที่ท่านบูรพาจารย์ได้รดจนาเรียบเรียงเอาไว้ซึ่งถือเป็นผลงานการประพันธ์ที่ทรงคุณค่ายิ่งอันเป็นเสมือนหนึ่งเพชรน้ำเอกแห่งวงวรรณกรรมทางพุทธศาสนาของไทยจึงขอเชิญเหล่าสาธุชนคนดีผู้มีปกติเห็นภัยในวัฏฏะสงสารจงตั้งใจสดับซึ่งธรรมกถาอันเป็นโอวาทานุสาสนีแห่งองค์สมเด็จ พระชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าอันข้าพระเจ้าจะนำมาบรรยายเพื่อสรุดีสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณอันไม่มีประมาณให้ขจรขจายซึมทราบสู่ดวงหาริไยของท่านพุทธศาสนกชนคนมีปัญญาทั้งหลายให้ปรีดาปราโมทในอมริตรศแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระปฏิบแก้วบรมครูแห่งพวกเราชาวพุทธ ให้มีน้ำใจอาจหารให้ร่าเริงในสัมมาปฏิบัติอันจักเป็นไปเพื่อความธรรมที่สุดแห่งทุกทั้งปวงให้ปรากฏตามควรแก่วาสนาบารมีอันหนึ่งธรรมบัญญายชุดนี้ข้าพระเจ้ามีน้ำใจจัดทาขึ้นด้วยมุ่งหวังให้เป็นธรรมทานหากท่านผู้ใดมองเห็นคุณค่าแห่งธรรมกถาประสงค์จะทำตำเนาเพื่อจ่ายแจกแก่ญาติมิตร กรุณาทมได้ตามประสงค์เฉพาะการทาเพื่อจำน่ายจึงขอสงวนนิกิทธิด้วยความปรารถนาดีจากผู้จัดทาวัดป่าดอยแสงธรรมยาณสัมปันโนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่